บันทึกที่สความหมายของคำว่าศีลธรรมได้มีบางท่านพยายามขยายความหมายของคำว่าศีลธรรมให้กว้างขวางเช่นให้แปลศีลธรรมว่าศีลและธรรมซึ่งจะทำให้ศีลธรรมกลุ่มคำสอนในทางพุทธศาสนาได้ทั้งหมดแต่ความรู้สึกของคนทั่วไป หายอมขยายตามไปด้วยไหมเช่นเมื่อนึกถึงศีลธรรมก็ไม่อาจนึกไปถึงการฝึกสมาธิการเจริญสติปัฏฐานการพิจารณาสังขารธรรมโดยไตรลักษณ์เป็นต้นการขยายความหมายนั้นจึงทําได้เพียงในขั้นความเพียรเชิงวิชาการเท่านั้นส่วนความหมายที่เข้าใจกันทั่วไปก็คงอยู่เพียงขั้นที่ต้องแปลศีลธรรมว่าธรรมะขั้นศีล หรือธรรมะคือศีลแม้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ให้ความหมายเพียงแค่ว่าความประพฤติที่ดีที่ชอบคำว่าศิลธรรมอย่างที่เข้าใจกันนี้จะขยายกันอย่างไรก็คงอยู่เพียงในขอบเขตของหมวดธรรมะที่เรียกว่าอุสลกรรมมบทสิบซึ่งมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าธรรมจริยา ดังที่เคยกล่าวถึงมาแล้วในตอนก่อนบางทีถ้าหันไปใช้คำว่าธรรมจริยาอาจจะเหมาะกันดีกระมังพึงสังเกตว่าคำว่าศิลธรรมแม้จะมีต้นศัพท์อยู่ในบาลีสันสกฤตและก็เป็นคำไทยเกิดขึ้นในภาษาไทยมีในภาษาไทยและใช้กันอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นจึงเกิดปัญหาในการแสดงความหมายขึ้นในภายหลัง ไทยเราในปัจจุบันให้คำศิลธรรมตรงกับม o ร a ลหรือ m o r a ล i t y ในภาษาอังกฤษแต่ยังไม่พบประเทศใดอื่นแปลคำอังกฤษทั้งสองนั้นว่าศิลธรรมคงแปลเพียงว่าศีลหรือศีละเท่านั้นอันหนึ่งการแปลศีลว่าข้อห้ามเบื้องแรกก็มุ่งเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆสำหรับชาวบ้านทั่วไป หรือสําหรับการศึกษาขั้นต้ น, ตนแต่ต่อมาเกิดมีการติดในคํแปลานี้บางทีถึงกับยึดเอาว่าข้อห้ามเป็นความหมายของศีลไปจริงๆทําทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับศีลคับแคบและคลาดเคลื่อนมองแต่ด้านลบอย่างเดียวความจริงแม้แต่ศีลระดับวินยัยอย่างวินัยของพระสงฆ์ก็มีทั้งฝ่ายละเว้นและข้อกาหนดให้ทา เช่นการเข้าร่วมประชุมทำสังฆกรรมการทำหน้าที่เกี่ยวกับกิจของ่วนรวมเช่นพัตตุเทศก็เป็นเรื่องศีลหรือในระดับคนทั่วไปการประพฤติมีความเคารพอ่อนน้อมการขวนขวายช่วยเหลือรับใช้ก็เป็นเรื่องศีล น, นอกจากนี้เมื่อพูดถึงศีลมักมองข้ามเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพที่เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของศีลไปเสีย ทั้งหมดนี้ล้วนทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับศีลคับแคบลงดังนั้นเมื่อพูดถึงศีลพึงคอยระวังขยายความรู้สึกให้กว้างรอบคลุมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะให้หมดด้วยความประพฤติดีงามสุจริตนับว่าเป็นคำแปลที่ดีอย่างหนึ่งของศีล